นิทานไทยกล่องไม่ขีดไฟนานมาแล้วมีนายทหารคนหนึ่งเขาเป็นทหารที่หนุ่มและมีสเสน่ห์วันหนึง่งเขาได้กลับบ้านหลังจากสงครามเขาขอบคุณที่เขากลับมาแบบมีชีวิตซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายขวาเขาเดินต่อไปพร้อมกับดาษที่อยู่ข้างตัวเขาแล้วทันใด น, นั้น บนถนนเขาก็เห็นกับแม่หมดที่น่ากลัวสวัสดีตอนเย็นทหารช่างเป็นดาบและกระเป๋าที่สวยงามที่เคยมีมาสวัสดีตอนเย็นขอบคุณนะคุณแม่หมดคุณใจดีมากเลยริมฝีปากของแม่หมดสัน่นและทุตทหารก็สั่นตามเขากลัวสิ่งมีชีวิตที่หน้าตาประหลาดโดยธรรมชาติแบบนี้ได้เป็นทหารจริงๆด้วย กระเป๋าและดาบของนายนะบางคนอาจจะคิดว่านายเป็นขุนนางบอกฉันหน่อยสิว่านายนะอยากจะได้เงินมากมายตามที่นายต้องการหรือเปล่าเอออยากได้สิแต่ว่าต้องทำยังไงแม่มดเดินเข้ามาคลอเคลียจนทาให้เขาหน้าแดงเขาไม่ได้ตะหนักว่าเขาควรระวังแม่มดฉีไป ท, ที่ต้นไม้ที่อยู่ในสุดของป่าและบอกให้เขามองไปที่นั่น นายเห็นต้นไม้ใหญ่นั่นใช่ไหมข้างในนั้นน่ะมันเป็นโพรงข้างบนนั้นมันมีรูให้นายลงไปเมื่อสักพักนายก็จะถึงพื้นดินเ อ, อ่อต้นไม้เหรอแต่ว่าฉันจะทำอะไรใต้ต้นไม้นั่นล่ะใช่ต้นไม้เมื่อนายลงไปลึกสุดเชือกที่ฉันมัดนายไว้ฉันก็จะดึงมันขึ้นมาเมื่อนายตะโกนข้างในต้นไม้นั้นน่ะ มีทองอยู่อย่าได้สงสัยเชียวทหารได้สงสัยและกระดกคิ้วขึ้นมีทองในต้นไม้เหรอเป็นไปได้ยังไงแม่มดเล่าทุกอย่างให้ฟังเมื่อนายไปอยู่ข้างในโพรงข้างในนั้นส่องสว่างไปด้วยโคมไฟมันค่อนข้างสว่างมากนายจะเห็นประตูทั้งหมดสประตูจากทางซ้ายไปทางขวา ในที่ล็อกประตูจะมีกุญแจอยู่แล้วห้องแรกนายรู้ไหมว่านายจะเห็นอะไรมันมีหีบใบใหญ่ตรงกลางบนพื้นดินแต่ว่านายนะ่ะจะต้องระวังหมาที่คอยเฝ้าประตูอยู่ให้ดีหมากันเหรอที่คุณบอกตอนนี้ทหารเริ่มสงสัยหมาตาโตแต่ไม่ต้องห่วงเพราะว่าฉันนะ่ะมีทางออกให้ แม่มดหยิบผ้ากันเปื้อนสีฟ้าลายตารางหมากรุกขึ้นมานี่จะปกป้องนายได้เธอพูดไปและยิ้มไปด้วยวางหมาลงไปบนผ้ากันเปื้อนนี่มันจะไม่สนใจนายสัพักใหญ่และแม่มดก็บรรยายแผนการของเธอตอบเธอเล่าว่ามีเหรียญทองแดงเหรียญเงินและเหรียญทั้งหมดแต่ระวังหมาให้มากเพราะว่ามันเป็นอุปสรรค ตาของมันน่ะใหญ่มากเหมือนกับล็อกเวียนเลยล่ะเธออธิบายต่อว่าผ้ากันเปื้อนจะช่วยและทหารสามารถที่จะเอาเหรียญทั้งหมดไปได้เมื่อทหารได้ฟังเขาก็ดีใจแล้วก็คิดว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แย่เลยมันไม่แย่จริงๆแต่ว่าฉันจะให้อะไรกับคุณคุณต้องการบางสิ่งบางอย่างฉันรู้ การเพียงแค่กล่องไม้ขีดของย่าชั้นทิ่ลืมมันไว้ที่ตรงนั้นเมื่อครั้งก่อนที่เธอลงไปข้างล่างนั่นงั้นก็มัดเชือกรอบเอวฉันแล้วแม่มดก็มัดเชือกรอบเอวของเขาและเขาก็ปีนขึ้นไปบนต้นไม้และหันหน้าลงมาเขาเลื่อนต่อลงจากต้นไม้จนถึงโพรงข้างในที่ที่มีโคมไฟติดอยู่บนฝาผนังทุกอัน ทหารเดินเข้าไปข้างในเพื่อที่จะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดและเขาก็เห็นหมายืนอยู่บนหิน้มนายดูเป็นเด็กดีนะเจ้าหมาทหารยกตัวหมาขึ้นแล้ววางเขาลงบนผ้ากันเปื้อนมันอยู่บนผ้ากันเปื้อนและไม่ส่งเสียงใดๆมันง่ายมากเลยทหารมองไปรอบๆเมื่อเขาเก็บเหรียญทั้งหมดใส่ในกระเป๋าของเขาเขาไปอีกห้องหนึ่ง ถ้าทำตามแม่มดและเหมือนที่แม่มดบอกมันต้องมีหมาตัวใหญ่ตาโตตาของมันโตมากจนทาให้ทหารตกใจเขานำามาวางบนผ้ากันเปื้อนแล้วเปิดเห็บออกเขาต้องการเหรียญอีกเขาเห็นว่ามันคือเหรียญเงินที่อยู่ในหีบเขาจึงทิ้งเหรียญทองแดงทั้งหมดที่เขาเก็บมาเหรียญเงิน ตดีเก่าเหรียญทองแดงแน่นอนทหารเทเหรียญทองแดงออกและใส่เหรียญเงินที่เขาเพิ่งเจอเข้าไปในกระเป๋าของเขาทันทีว้าวและเมื่อเขาเดินออกไปอีกห้องหมาตัวใหญ่มากกว่าที่เขาคิดมากและตาของมันก็ใหญ่จนน่ากลัวเขานำหมาวางลงบนผ้ากันเปื้อนและเปิดหีบออกและเขาคิดว่าเขาต้องเข้าใจผิด ทองเหรอทองนัินเหรอข้างในนั้นมีทองมากมายเขาจึงเทเหรียญเงินที่เขาเพิ่งเจอออกแล้วใส่เหรียญทองเข้าไปข้างในกระเป๋าของเขาแทนดึงช้างขึ้นไปแม่มดลากเขาขึ้นมาเมื่อเขาถือกล่องไม่ขีดไฟเมื่อถึงพื้นแม่มดพยายามที่จะขโมยกล่องไม่ขีดไฟไปจากเขา จะเอากล่องไม่ขิดไฟไปทำอะไรกันเนี่ยนั่นมันไม่ใช่เรื่องของนายบอกฉันมานะไม่งั้นฉันจเจอานายนายผักหลังฉัน <laughs> อย่าได้เจอกันอีกเลยอย่าแม่มดแกทหารเดินเข้าไปในหมู่บ้าน <c oughs> เขาหาห้องที่ดีที่สุดและอาหารที่ดีที่สุดทุกอย่างที่เขาจะหาได้ และตอนนี้ทาหารก็ได้เป็นท่านสุภาพบุรุษผู้คนต่างบอกเขาเกี่ยวกับเมืองนี้ว่าดีแค่ไหนและพระราชาที่มีลูกสาวที่มีเสน่ห์มากฉันไปเจอเธอได้ไหมทำไมไม่ไหนไปเจอเธอไม่ได้พระราชาไม่ให้ใครเจอเจ้าหญิงทั้งนั้นเธออยู่บนปราสาทที่ทำด้วยทองแดงทำไมล่ะ มีคำทำนายว่าเธอจะได้แต่งงานกับทหารและพระราชาก็ไม่ชอบความคิดนี้แม้แต่นิดเดียวฉันไม่เข้าใจว่าทำไมทหารถึงไม่เหมาะสมทหารร่ารวยด้วยความโชคดีแต่เขาก็ลืมคิดไปว่าเขาใช้ใจ่ายอย่างเดียวแต่ไม่มีไรายได้เข้ามาและเนื่องด้วยการที่ใช้ใจ่ายแบบไม่มีความรับผิดชอบจนเขาเหลือเหรียญทองแค่ไม่กี่เหรียญจนเขาต้องย้ายไปอยู่ในห้องใต้หลังคาแค บ, แคบ เขานั่งอยู่ในห้องใต้หลังคาห้องนั้นเล็กและแคบมากและเขาเย็บรองเท้าบูตรของเขาในห้องนั้นห้องมืดมากจนเขาไม่สามารถแม้กระทั่งจุดเทียนได้นี่มันมากเกินกว่าที่ฉันจะรับไหวแต่เขาก็นึกขึ้นได้ว่ามีกล่องไม่ขีดเขาจำได้ว่ามีช่องไฟเล็กๆอยู่ตรงนั้นมันจะทำให้มีไฟ ฉันต้องรอดคืนนี้แล้วเขาก็เปิดกล่องไม่ขีดขึ้นพร้อมด้วยความพยายามที่จะจุดไฟแล้วทันใดนั้นหมาก็ออกมาหมาที่มีดวงตาใหญ่ยืนอยู่ตรงนั้นเพื่อเรียกร้องความสนใจนายท่านมีอะไรให้ข้ารับใช้หมายืนข้อเสนอให้เออขอโทษนะนายหมายความว่ายังไง ท่านเป็นมารับใช้ของท่านไม่ว่าท่านอยากได้อะไรก็ตามทุกอย่างที่ฉันอยากได้เหรอทุกอย่างที่ฉันอยากได้จริงๆเหรอทหารตกอยู่ในความตันลึงเขาคิดด้วยความโลภเขาจึงพูดออกมาว่าเจ้าหมาไปเอาเงินมาให้ฉันเดี๋ยวนี้หมาได้หายตัวไปและกลับมาพร้อมกับถุงเงินที่คาบอยู่ในปากทหารได้กลับไปใช้ชีวิตแบบเก่าพร้อมกับทองและเพชร แต่ว่าตอนนี้เขาเหงาแล้วเขาก็เริ่มอยากมีภรรยาฉันรู้ว่ามันดึกแล้วแต่ฉันอยากจะเจอเจ้าหญิงฉันแค่อยากจะมองเจ้าหญิงเท่านั้นและก่อนที่ทหารจะพูดจบหมาของเขาก็กลับมาพร้อมกับเจ้าหญิงแล้วเจ้าหญิงก็นอนหลับอยู่บนพื้นและทหารเองก็ดีใจมากวันรุ่งขึ้น หลังจากแผนการของทหารเจ้าหญิงตื่นขึ้นมาแล้วเธอก็พูดว่าเธอฝันลูกฝันว่าอะไรเงี้ยเรอลูกฝันว่ามีหมาและทหารในขณะที่ลูกหลับอยู่แล้วทหารก็จูบลูกด้วยนะคะมันก็แค่ความฝันและจะไม่มีอะไรที่มากกว่านั้นพระราชาขบวดคิว้วและเขาสั่งให้สาวใช้ดูแลลูกสาวของเขาเพราะเขาอยากจะรู้ว่ามันคือความฝัน หรือว่าแผนการของใครกันแน่ทหารอยากจะเจอเจ้าหญิงอีกครั้งเขาเลยให้หมาของเขาไปพาตัวเจ้าหญิงมาหมานำตัวเจ้าหญิงมาแค่พริบตาเดียวแต่ว่าหมาไม่ได้รู้ว่ามีสาวใช้คอยสอดส่องอยู่สาวใช้หยิบวูดของเธอขึ้นมาแล้ววิ่งตามหมาจนถึงบ้านของทหารที่อยู่ในเมืองฉันรู้ว่านี่น่ไม่ใช่เพียงความฝัน ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อไม่ให้เจ้าหญิงอยู่ในแผนการอันชั่วร้ายนี้ฉันจะวาดกากบาทบนประตูนี้แล้วสาวใช้ก็ไปวาดบนประตูเรารู้ว่านั่นหมายความว่าอะไรและเมื่อหมาไม่เห็นแผนการของเธอเจ้าหมาฉลาดจึงวาดกากบาทไว้ทุกบ้านเช้าวันรุ่งขึ้นพระราชาพระราชินีและสาวใช้รวมถึงทหารทุกนาย ได้ออกมาดูว่าเจ้าหญิงของพวกเขาหายไปไหนนั่นใช่หรือเปล่าในโรงแรมนั่นเหรอไม่ใช่ทางนั้นตั้งหากล่ะสามีที่รักของฉันมีกากระบาทอยู่ไปทุกบ้านทำให้พวกทหารสับสนพวกเขาเริ่มตะโกนแต่ว่าราชินีฉลาดเธอเย็บถุงธัญพืชไว้ที่หลังของลูกสาว ทันยะพืชร่วงหลงพื้นทำให้รู้ว่าเจ้าหญิงถูกเก็บตัวไว้ที่ไหนนั่นไงราชิ น, นีชี้ไปทางที่ทันยะพืชได้ร่วงหล่นพวกทหารเข้าไปข้างในจับตัวผู้ชายที่พยายามซ่อนตัวอยู่สำหรับเรื่องนี้ทำห้เขาต้องโทษถึงตายแต่ก่อนที่เขาจะหายใจเฮือกสุดท้ายมันเป็นธรรมเนียมที่คนบาป จะขอสิ่งสุดท้ายได้ข้าอยากจะจุดไฟพระราชาไม่ได้ปฏิเสธเขาดังนั้นทหารจึงหยิบกล่องไม่ขีดไฟแล้วเริ่มจุดไฟห<ๆ>มาปรากฏขึ้นทุกคนที่ยืนอยู่ทหารยืนหยิบเพรรู้ว่าหมาของเขาจะมาฉันรู้ว่านายจะมาเขาว่ากันว่าหมาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของมนุษย์แล้วมันก็เป็นเรื่องจริง แล้วหมาก็เห่าในสารจนพวกเขาวิ่งหนีออกไปแม้กระทั่งราชาและราชินีแต่เจ้าหมาก็ได้ยืนขวางทางเอาไว้ไอน้นี่มันนักมายากลปีาศาจนี่มันหมาอะไรกันแน่เนี่ยฟาบาดได้โปรดฟังผมผมไม่ใช่คนชั่วร้ายผมไม่ตกหลุมรักกับลูกสาวของท่านผมขอสารภาพว่าผมใช้กล่องไม่ขีดไฟที่จะเข้าถึงตัวเจ้าหญิงแต่ไม่ได้ทาร้ายอะไร กล่องไม่ขีดงั้นเหรอใช่แล้วฝ่าบาทมีแม่มดแก่ที่อยากได้มันแต่ผมคิดว่าเธอจะใช้ในทางที่ผิดผมจึงนํากล่องไม่ขีดไฟมาจากเธอนายสัญญาได้ไหมว่าจะทำให้ลูกสาวฉันมีความสุขโดยที่ไม่ใช้กล่องไม่ขีดไฟพระราชาและราชนินีเห็นความรักที่แท้จริงในสายตาเขาเจ้าหญิงยิ้มและคิดว่านี่คือชายของเขา เธอประทับใจในความกล้าหาญของเขามากนายสัญญาไหมว่าจะทำให้ลูกสาวฉันมีความสุขโดยไม่ใช้กล่องไม่ขีดไฟผมจะเป็นกล่องไม่ขีดไฟให้เธอผมจะทำงานหนักเพื่อนำสิ่งที่เธออยากได้มาให้และผมจะทำลายกล่องไม่ขีดไฟเดี๋ยวนี้และแล้วทหารก็กลายเป็นคนปกครองเมืองและใช้ชีวิตที่ดีกับภรรยาของเขาพร้อมด้วยหมาจอมเวททั้งสามตัว